พุทธธรรมจะบับปรับขยายตอนที่หนึ่งชีวิตคืออะไรชีวิตตามสภาพของมันเองบทที่หนึ่งขันห้าส่วนประกอบห้าอย่างของชีวิตตัวสภาวะพุทธธรรมมองเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นธาตุเป็นธรรมะเป็นสภาวะ มันมีอยู่เป็นอยู่ตามภาวะของมันที่เป็นของมันอย่างนั้นเช่นนั้นตามธรรมดาของมันมิใช่มีเป็นสัตว์บุคคลอัตตาตัวตนเราเขาที่จะยึดถือเอาเป็นเจ้าของครอบครองบังคับบัญชาให้เป็นไปตามปรารถนาอย่างไรยางไรได้บรรดาสิ่งทั้งหลายที่รู้จักเข้าใจกันอยู่โดยทั่วไปนั้นมีอยู่เป็นอยู่เป็นไปในรูปของส่วนประกอบต่าง ที่มาประชุมกันเข้าตัวตนแท้ๆของสิ่งทั้งหลายไม่มีเมื่อแยกส่วนต่างๆที่มาประกอบกันเข้านั้นออกไปให้หมดก็จะไม่พบตัวตนของสิ่งนั้นเหลืออยู่ตัวอย่างง่ายๆที่ยกขึ้นอ้างกันบ่อยๆคือรถเมื่อนาส่วนประกอบต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกันตามแบบที่กาหนดก็บัญญัติเรียกกันว่ารถ แตถ้าแยกส่วนประกอบทั้งหมดออกจากกันก็จะหาตัวตนของรถไม่ได้มีแต่ส่วนประกอบทั้งหลายซึ่งมีชื่อเรียกต่างๆกันจำเพาะแต่ละอย่างอยู่แล้วคือตัวตนของรถไม่ได้มีอยู่ต่างหากจากส่วนประกอบเหล่านั้นมีแต่เพียงคําบัญญัติว่ารถสำหรับสภาพที่มารวมตัวกันเข้าของส่วนประกอบเหล่านั้นแม้ส่วนประกอบแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั่นเอง ก็ปรากฏขึ้นโดยการรวมกันเข้าของส่วนประกอบย่อยๆต่อๆไปอีกและหาตัวตนที่แท้ไม่พบเช่นเดียวกันเมื่อจะพูดว่าสิ่งทั้งหลายมีอยู่ก็ต้องเข้าใจในความหมายว่ามีอยู่ในฐานะมีส่วนประกอบต่างๆมาประชุมเข้าด้วยกัน เมื่อมองเห็นสภาพของสิ่งทั้งหลายในรูปของการประชุมส่วนประกอบเช่นนี้พุทธธรรมจึงต้องแสดงต่อไปว่าส่วนประกอบต่างๆเหล่านั้นเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างอย่างน้อยก็พอเป็นตัวอย่างและโดยที่พุทธธรรมมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับเรื่องชีวิตโดยเฉพาะในด้านจิตใจ การแสดงส่วนประกอบต่างๆจึงต้องครอบคลุมทั้งวัตถุและจิตใจหรือทั้งรูปธรรมและนามธรรมและมักแยกยะเป็นพิเศษในด้านจิตใจการแสดงส่วนประกอบต่างๆนั้นยอมทำได้หลายแบบสุดแต่วัตถุประสงค์จำเพาะของการแสดงแบบนั้นๆมีแบ่งอย่างกว้างๆว่านามและรูปหรือนามธรรม กับรู ป, ปรธรรมแต่ตามแนวอภิธรรมนิยมแบ่งเป็นสคือจิตเจตสิกและรูปถ้าเทียบกับขันหที่จะแสดงต่อไปจิตเท่ากับวิญญาณขันเจตสิกเท่ากับเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันหรือสังขารขัน รูปเท่ากับรู ป, ปรขันแต่ในที่นี้จะแสดงแบบขันหซึ่งเป็นแบบที่นิยมในพระสูตรโดยวิธีแบ่งแบบขันหหรือ the five aggregates พุทธธรรมแยกแยะชีวิตพร้อมทั้งองค์คาพยพทั้งหมดที่บัญญัติเรียกว่าสัตว์บุคคลเป็นต้นออกเป็นส่วนประกอบต่างๆ5ประเภทหรือห้าหมวด เรียกทางธรรมะว่าเบนจะขัน 1. รูปคอโพลิลิตีได้แก่ส่วนประกอบฝ่ายรูปธรรมทั้งหมดร่างกายและพฤติกรรมทั้งหมดของร่างกายหรือสาสารและพลังงานฝ่ายวัตถุพร้อมทั้งคุณสมบัติและพฤติการต่างๆของสาสารพลังงานเหล่านั้น 2. เวทนา feeling หรือ sensation ได้แก่ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยซึ่งเกิดจากภาษาทางประสาททั้งห้าและทางใจ 3. ส, สัญญา perception ได้แก่ความกำหนดได้หรือหมายรู้คือกำหนดรู้อาการเรื่องหมายลักษณะต่างๆอันเป็นเหตุให้จำอารมณ์หรือออบเจกต์นั้นๆได้คาว่าอารมณ์ในบทความนี้ทุกแห่งใช้ในความหมายทางธรรมะเท่านั้นคือหมายถึงสิ่งที่จิตรับรู้หรือสิ่งที่ถูกรับรู้โดยอาศัยทวารทั้ง6 ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐ พ, ทพัทและธรรมารมคือความคิดนึกต่างๆไม่มีความหมายอย่างที่เข้าใจกันทั่วๆไปในภาษาไทย 4. สังขาร mental formations หรือ volitional activities ได้แก่องค์ประกอบ หรือคุณสมบัติต่างๆของจิตมีเจตนาเป็นตัวนำซึ่งแต่งจิตให้ดีหรือชั่วหรือเป็นกลางรุงแปรการตรีตรึกเนึกคิดในใจและการแสดงออกทางกายวาจาให้เป็นไปต่างๆเป็นที่มาของกรรมเช่นศรัทธาสติอิริโอต ป, ปะเมตตากรุณามุทิตาอุเบคา ปัญญาโมหะโลภะโทสะมานะทิฏฐิอิสามัชริยะเป็นต้นเรียกรวมอย่างง่ายงายว่าเครื่องปรุงของจิตเครื่องปรุงของความคิดหรือเครื่องปรุงของกรรมสำหรับอุเมกขาเป็นธรรมะสำคัญยิ่งข้อหนึ่ง และมักมีผู้เข้าใจความหมายสับสนผิดพลาดอยู่เสมอจึงควรศึกษาให้เข้าใจชัดอย่างน้อยต้องสามารถแยกอุเบคาในหมวดสังขารซึ่งตรงกับตตรมชตัตตาตาออกจากอุเบคาในหมวดเวทนาซึ่งตรงกับอทุก ข, ขมสุขอันเป็นความรู้สึกเฉย ขันธ์ที่5วิญญาณ consciousness ได้แก่ความรู้แจ้งอารมณ์ทางประสาททั้ง5และทางใจคือการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรู้รสการรู้สัมผัสทางกายและการรู้อารมณ์ทางใจ